มีของกินไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าไม่เล่ามันก็ลืมท่านผู้ฟังเรื่องนี้ผมเคยได้ เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พบมีความสําคัญอย่างไรใน ได้เล่าว่าเล่าว่าอาตมาภาพเป็นบุตรคนสุดท้องของโยมพ่อโยมแม่เมื่ออายุได้ 6 ขวบพอดีวันห่มจีวรผืนใหญ่เข้าใจว่าจะอุ่นก็ร้องให้แม่ขอ กลัวบาปบาปชีวรก็ห่มกันแต่เฉพาะพระชาวบ้านห่ม อ่าโยมแม่ก็ไม่ขอก็ร้องไห้อ่าร้องไห้ไม่ยอมหยุดตกลงสมภารวัดก็เลยเอามาให้นะคงจะรําคาญแล้วก็นํารูปนั้นไปไว้ที่บ้านวันหลังอ่ะแม่บอกว่าพระเจ้าไปนิพพานแล้วก็อ่าพาไป ต่อมาวันหลังมาวันหลังเห็นพระเดินเที่ยวบิณฑบาตตาม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 ก็อ้อนวอนขอให้แม่นําพาไปฝากไว้ที่วัดถึงยังไม่ได้บวชก็อยู่วัดก่อน เพราะว่าเสียใจกลัวแม่จะไม่ไปฝากที่ 2 เดือน ยมพ่อก็มาจากการขายควายอ่ายมพ่อนี่ไปขายควายอีกทีเป็นเดือนๆแบบเดียวกับพวกนายห้อยควายพอยมพ่อกลับมาไม่เห็น ขั้นจนเข้าบรรสาอาจารย์ก็พาไปที่ 3,000 เส้นคน 3 เสคืนถึงจะ 3 ปีถึงบวช 3 ปีแต่ ตื่นเช้ามาก็ถามอาจารย์ทุกวันว่าถึง 3 ปีหรือยังอาจารย์ก็หัวเราะทุกวันนานเข้าท่านรำคาญพร้อมต่อไปนี้จะถาม ฝันเห็นพระเจ้าพระเจ้านี่ก็คือพระ ต่อไปอีกหกปีพอดีอายุครบสิบสี่ 6 ปีพอดีอายุครบ 14 ขวบเต็ม 15 พร้อม ท่านแสดงธรรมบอกว่าจะเป็นพระสมณะเพราะศีรษะโลนก็หา อาตมาภาพก็เข้าไปอาศัยอยู่ในร่มนั้นเย็นดีแล้วก็ท่านก็เอาน้ําให้ฉันอ่าน้ําๆกลิ่นเหล้าแล้วก็แสบจมูกข้าง อาตมาภาพก็เลยลงจากพนักกุฏิเล็กไปนั่งอยู่ร่มมะม่วงทุอ่านึกถึงคําที่พระพุทธเจ้าของพระสาวกและพระศาสดาว่าสมัยนั้นเค้าคงจะไม่ตลกขำนองกันเช่นนี้พอนึกแล้วก็ตกลง ดึกราวดึกดําจนนอนไม่หลับอีกในคืนนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นมาฉันแล้วก็ลาพระ กลางคืนก็นึกกลัวผีก็คือผีอ่าเอก็ร่างกระดูกเค้าเผาละฝังหมดเสร็จแล้วอ่าวิญญาณก็ไปเป็นอ่าวัว แล้วทําไมคนเอาเนื้อมันไปกินได้เอาขนเอาเนื้อเอากระดูกมันเก็บไปไว้อ่าปูปลามันก็มีวิญญาณทั้งนั้นถ้าอ่ะไม่ อ่าพอค่ํามาคนนั้นคนนี้ถูกผีวัวอืมพอพิจารณาอย่าง บ้านอื่นๆต่อไปได้ 9 คืนก็เดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ําโขง มีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงยังไม่มีวัดทั้งอยู่ใกล้ริมภูเขาเค้าชื่อบ้านแก้งกระอาบ เราจะเชื่อความเป็นพ่อของเรา เรา. 4 อ่าเป็นความจากอดีตชาตินะความตัวสัตว์ตัวคนนะแต่ในสัตว์นี้ ตกลงเราก็จะแค่หัวใจสัตว์เราก็จะแค่หัวใจสัตว์เท่านั้นไม่เห็นแปลกจาก อ่าไม่ที่ไปน่ะไม่ใช่หมดกลัวอ่าแต่ว่ากลัวสัตว์นี่ยัง มีเครือหวายเป็นพุ่มห้อยล้อมต้นตะเคียนดกหนาเป็นร่มดีอาตมาก็เลย ก็นึกตกใจจนหายใจไม่ออกนั่นน่ะอกขึ้นมานะกลัวแล้วค่อย เสร็จแล้วก็ดึงเครือหวายที่นั่นน่ะเส 21 ตัวมาทันช้าง เพราะความกลัวนึกขึ้นได้ว่าคราวนี้เพื่อบำเพ็ญจิตของพระศาสนาฉะนั้นขออันตรายทั้งหลายจงพินาดไปด้วยอํานาจคุณพระรัตนตรัยพออธิษฐานเสร็จ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 แกก็ตามออกไปดูที่อยู่เห็นรอยช้างมันขยี้กรดขยี้มุ้งแหลกและไปหมดแกก็ มีร่มไม้สดชื่นหลายอย่างตามริมบึงแต่เช่นเสือช้างหมีลิงกระทิงสัตว์ทั้ง แล้วก็หลีกไปอาศัยอยู่ร่มไทรที่อยู่ชายเขาห่างจากบึงประมาณสัก 10 เส้นพอตะวันค่ําลงประมาณ 5:00 น. ได้ยินเสียงเสือร้องอ่าร้องฮูๆออกมา พอตกลงใจอย่างนี้ก็เกิด นั่งข้าสมาธิแล้วนึกอะไรยังไม่ออกก็ยังแน่นหน้าอกละคอแข็งประมาณ 5:00 น. มีลิงตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกลางๆลง มันทำอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่อยไปจนประมาณสัก 6:00 น. หากว่าข้าพเจ้ายังมีกรรมมีเวรกับสัตว์ตัว เวลานั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราคงจะไม่มีเวร มันแค้นมันแน่นมักค้างอยู่ที่ต้นคอหูยังดังอื้ออยู่ครู่นึงลิ้นแข็งๆกับว่านอนหลับนะฝันก่อนจะรู้ ตัวขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีพอดีสว่างก็เลยไปเที่ยวบินทบาดที่หมู่บ้านนั้นอีกพอไปไปเออเอ่อตัวนายดีเค้าบอกนะว่าอ่าหรือ ภิกขุนมาจากแห่งหนึ่งแห่งใดอ่ะคงจะไม่เต็มอ่ะว่าอย่างนั้นก็มีคนใส่บาตรให้ 2 อ่าร้องทุก ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับเลยสักนิดนั่งยังไง ส่วนกลางคืนก็นั่งสมาธิเป็นต่อม้าไป มัจฉาก็มีเต่าใหญ่ตัวนึงคาบไอ้เค้าเรียกลูกม้าสั้นลูกตัวโตเค้ามาวางจรดกับ ขา우 อยู่คู่นึง ต่างคนต่างบำเพ็ญขันติบารมีคือว่ากลัวเพียงไหนก็อ่าเสือร้องเหมือนเดิมก็แน่นหน้าอกน้ํา 10 วันในวันครมรบ 10 ตอนเราทนต่อความ 10 วันแล้วก็ หากจะกลับบ้านก็กลัวเพื่อนบรรพชิตพร้อมทั้ง ตกลงถึงจะอยู่ที่นี่ก็เป็นทุกข์ คิดตกลงแล้วก็เตรียมครองผ้าให้เรียบร้อย ได้ถึงสุคติมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าอธิษฐานเสร็จก็ 4 มุมเลย 2 ของเสือตัวใหญ่เท่า ไม่ช้าเสือก็ครางขึ้นเสียงดองฮูๆแล้วก็คว้าอ่าดวงเรายัง ทีนี้เดินตรงเข้าไปหาขาเสือก็กระโดดไปตามชาย หรือว่านึกอยากตายแล้วตายลงทันทีก็นี้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ของตั้งอยู่ได้นั่งลงที่ก้อนหินที่เคยพักแล้วก็พิจารณาต่อไปว่า กรรมยังรักษาอยู่ยังไม่ผลอ่าไม่ให้ผลในความตายก็เลยไม่ ให้เขาตายแล้วทําไมเขาถึงได้ตายไปแล้วข้อนี้ความเป็นก็ อยากดีวิเศษยังไงก็ตายใจเวลาอ่าของเราเวลาเนี้ยนึกอยาก หลับลงที่ลานหินนั่นเลยหน้าขึ้นมองดูเสียงหาวหือใจก็นึกขึ้นมาทันของข้าพเจ้าใจก็นึกสั่งเจ้าของ เย็นสมนึกแล้วก็นอนหลับต่อไปยังไงก็จัดการไปตามเรื่องว่าช้างเผือกมายกจับยกไปนั่งบน ก็พิจารณาต่อไปว่าแต่ก่อนเรามีความกลัวมาปิดกั้นหลันดาล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 พอพิจารณาเสร็จลงก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าอ่าที่จะเกิดพอดีสว่างพอตอน ทรัพย์คนไม่เต็มแต่งยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวพัก เป็นบ้านของพวกขาพวกขานี่ไม่มีศาสนามองเห็นศาลๆมา ทำท่าจะทุบจะตีบางเจ้าฟันจะแทงเสร็จแล้วก็พูดไม่รู้ภาษากัน คนคนอ่าไปค้นดูดูบาทดูสายคาดเอวก็ไม่เห็นมีเงินเค้าก็เลยขอมีดโกนกับผ้าสะบงอ่า ก็กลับไปฉันที่ศาลาน่ะเสร็จแล้วก็เดินต่อไปอ่าไปทางเค้าเรียกเขา จะเที่ยวไปโดยไม่อะไรชีวิตเที่ยวไปโดยไม่อะไรชีวิตผมชื่อเนนจวงนะคงจะอธิษฐานไม่พูดก็เลยพักอาศัยอยู่ถ้ําเดียวกันในคืน ถ้าท่านเดินต่อไปเนี่ยท่านเดินต่อไปเนี่ยเมื่อต้องการอาหารแล้วรุ่งเช้าอ่า เรียนอยากผมสักก่อนแล้วท่านจะไปด้วยความสวัสดีภาพอาตมาๆท่านจะ แล้วก็เที่ยวต่อ 3 วันก็ยังไม่พบ 4 เดินไปมองขึ้นๆคล้ายเจดีย์เพราะฤดูนั้นเป็นฤดูใบคล้ายๆต้นมะพร้าวแต่ว่า เปียะแท้ก็เก็บเอาใบแห้งมาๆที่ติดย่ามอ่ะบากต้นยาเป 6 หลังคาเรือนไม่รู้ภาษาอาตมาก็แวะ รุ่งเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตเห็นคนแก่คนนึงนั่งก็ไม่นุ่งไม่ห่มอะไรอาตมาก็ไป อาตมาก็หลีกไปนั่งฉันอยู่ที่ลานหินที่จับ มือคนผู้ชายด้วยกันให้เข้ามา 19 วัน แล้วก็เดินข้ามอ่าประมาณ 9 หลังคาเรือนเค้า 2 คนพอพูดภาษาลาวได้ก็ถามว่าเจ้าอยากอ่าอาตมาก็บอกว่าจะครับแล้วสามเณรบุญนาค ไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับเลยนะครับวันนี้สุขาวหังแปลว่าจิตที่ฝึกแล้วนําความ เหมือนบัณฑิตคิดเห็นเป็นสําคัญมีจิตมั่นหนักแน่น สมณะเณรบุญนาคโฆโสกันต่อในบันทึกของสมณะเณรบุญนาคโฆโส บ้านคนอย่าไปดีกว่าห่างแล้วก็ส่งภาษากันไม่ถูกเลยอย่าไปดีกว่าตกลงอาตมาก็เลยไปหาถ้ําอาศัยจําบรรษาอยู่ใกล้ๆนั้นก็มีคน 2 บำเพ็ญอารมณ์ทั้ง 2 นี้เป็นที่สบาย 5 วันก็เคลื่อน 3 ลูกแล้วจนกระทั่งค่ำ ท่านก็บอกว่าผมอยู่ในจักรวาลท่านว่างั้นอาตมาก็ตะกายขึ้นไปพักที่ถ้ำ ท่านบอกว่าให้เนนเจริญเป็นนิด มีงูตัวนึงตัวประมาณ 1 จับเลื้อยมาเอาหางมาสอดเข้าที่หนองเท้าของอาตมาแล้วก็รัด เนนพม่าเคยสอนไว้เพราะว่าป่าดงเหล่านั้นมีผลไม้ครบทุกชนิดกล้วยขนุนส้มลูกฝรั่งลูกมะเดื่อหรือว่าส้มจีนนี่มี 3 คืนก็ยังไม่พบบ้านคนไปพบ ส่วนลูกอ่อนของเค้าเค้าเอารังผึ้งที่มันร้างแล้วเหลือแต่รังแห้งๆแล้วเอามาห่มให้แล้วก็ปู มีวัดและเจดีย์โบสถ์และศาลามีพระศาสนาอย่างเมืองเรา 16 วันถูกเจ้าอาวาสไล่หนี ประเทศนั้นเป็นคนยางมีคนลาวเมือง 40 หลังคาเรือนเป็น ก็เลยพักอยู่ที่นั่นอีกประมาณ 13 เดือนตกลงจำมันสาที่ได้ความสบายมาก จิตนี้นำมาซึ่งอารมณ์เป็นที่พอ ทุกข์จะมาทางไหนเมื่อจิตเฉยอยู่ที่อันเดียวได้สบายคําว่าสบายศัพท์นี้ไม่ใช่สุขอ่าไม่ใช่ ก็เที่ยวไปตามภูเขาอีกประมาณ 5 วันไปถึงดาเมทและที่นั้นคล้ายๆกับน้ําล้าง พอถูกกลิ่นก็ทนอาเจียนไม่ได้อาตมาประมาณ 5:00 น. เสียงน้ําหยุดไหลลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นน้ําไหลไม่อ่า บางตัวก็เป็นสีน้ำเงินเลื้อยลงไป เที่ยวมานานแล้วได้คุณวุฒิอะไรบ้างอาตมาก็ ผู้นั้นจึงกล้าต่อความเพียรนั้นอีก แก่การบําเพ็ญแล้วหรือยังท่านบอกว่าการวางจิตของเนนเช่นหายตัวคือขณะนั้น อาตมาผู้เดินตามหลังที่ 5 หลังคาเรือนทําอยู่ 16 วันหมายถึงพระราว อันเดินบนน้ําเป็นของสุดวิสัย บางทีก็เพ่งอากาศธาตุบ้างบําเพ็ญอยู่ 2 มนสาเกิดเรื่องอธิกรณ์ 4 ครั้งคือไปอยู่ที่แรกเจ้าคณะแขวงเรียกเข้าไป ท่านบอกว่าบำเพ็ญอะไรข้าไม่รู้ว่าถ้าเป็นพระ ตนบายอย่างนั้นอาตมาก็นิ่ง 10 กว่าวันเจ้าคณะแขวงใช้พระ ข้าที่ไปธรรมก็ไปบอกแก่เจ้าคณะแขวงว่าเนน ก็ไม่พูดท่านถามอะไรอะไรก็ไม่อยู่ที่นั่นตลอดวันอ่าตลอดรุ่งวางจิตอยู่ไม่ให้จิตตาม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 เช่นอยู่ป่าสัตว์ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ นิดหน่อยเป็นที่พอใจน่าฟังเสียงนั้นดีหากเกิดเป็นพายุมันพัดมาแรงเสียงครืนครืนไปหมด ที่ใครๆครูเข็นดุดันต่างๆไม่ช้า ของเรายิ่งกว่าความตายไม่มีแม้แต่เสือทําท่าจะกัดอยู่เราก็ เราไม่ปฏิบัติเอาก็ไม่ได้ตกลงว่าเราจะหวงชีวิต ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายแก่ข้อปฏิบัติเขาบำเพ็ญอยู่ ซักไซ้ไต่ถามด้วยอัตด้วยธรรมเป็น 10 กรรมบท 10 อะไร 40 คืออะไรบ้างอาตมาก็นั่งพิจารณา ตกลงดีหรือชั่วเราก็ปฏิบัติเอาเท่านั้นจะได้มาจากคําพูดให้ผู้อ่าทั้งหูหนวก อ่าทักท้วงภายในจิตของตนว่าไอ้นี่เค้าว่าใครจิตรับว่าเค้าว่า พูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังนะต่อมาคืนตลอดรุ่งสว่างพอดีก็ออกไปนั่งอยู่ที่ อาตมาภาพไปยังที่ว่าการอำเภออีกพอไปถึงแก่กสังอ่าไปจำมรรสากับพระทั้งหลายอ่าได้ พูดไปอาตมาก็นั่งหลับตาขัดสมาธิตามเคยแกบอกตำรวจบอกว่าเนรอวดดีแต่หลับตาเท่านั้นใช่คนบ้าหรือคนดีแล้วตำรวจก็จับมืออาตมาไปยังห้องขังแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่าง อ่าเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นบ้าแล้วปลอดภัยแก่ปฏิปทาของตัวเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็น อาตมาภาพอาตมาภาพก็กลับไปอยู่ถ้ำตามเคยแล้วก็ทำเป็นดีแต่ไม่ว่าบ้าบางคนก็บอกบอกไม่บ้าตกลงส่วนมากว่าไม่สบงจีวร ต่อมากลางมนัสสามีคนมาทําบุญ 10 กว่าคนแสดงตัว ฌานเสร็จแล้วก็ยถาสัพพีโมทนาให้พรโยมเค้าอาตมาก็เตือนโยมคนนั้นว่าโยมเอ้ยจง จะจากไปตอนนั้นโยมเท่าคนนั้นแกก็อุตส่าห์ไปใส่บาตรก็มีพวกคณะญาติของแกๆคน ก็ออกพรรษาแล้วนายอำเภอได้ข่าว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 อย่างหนึ่งคือคบหาสมาคมเพื่อฟังเทศนาภาวนาส่วนผู้นินทาว่าเราอวดรู้อวดฉลาดเค้าก็นําเรื่องนี้ไปเล่า พิจารณาอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วอาตมาก็นั่งนิ่งอยู่ไม่ได้พูดอะไรน้ำเผือก็บอก 2 เมื่อออก 30 วันนั่นแหละอาตมาจึงจะแสดงธรรมที่ถ้ำเต่างอยถ้าท่านทั้งหลายมี นามเผอแกก็นิมนต์อีกเป็นครั้งที่ 2 ว่าขอ วันศาที่ 4 แห่งการออกเที่ยวดุโดงคราว 12 วันเพ็ญก็มีผู้คนไปทํา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 แล้วก็สุขหรืออิ่มใจขึ้นเดี๋ยว ต่างก็เคยพบเคยเห็นมี ใจคอไม่สบายพอเดี๋ยวเดียวเท่านั้นน่ะก็ได้พบเห็นคือความคิดความนึกปรับปรุงขึ้นมามันก็เป็นเจ้ามายาเจ้าเล่เจ้ากลอ่า ตกลงถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปีหรือ 1,000 ปีก็ดีปรุงแต่งแต่สุขหรือทุกข์เท่านั้นลวงตัวเล่นอยู่หา อ่าศีลสังวรใจสงบการรักษาศีลสมาธิปัญญารวม เมื่อปัญญาทําจิตให้สงบได้ ก็ยังมีคนศรัทธาขอๆขอให้เนนจงงดโทษแก่ข้า 3 วันเท่านั้นพิจารณาเห็น วันคํารบแปดชัน บิн ถลาโยเหล่านั่นไปรู้สึกก็มีบังคนบนว่าอ่ะเราไม่รู้จักว่าท่านมาบรมเลยต่างคนเข้าใจว่าท่านบ้รมรมเหลยยมากันทั้งบ้านทั้งเบืองครับเดี๋ยวพักสล ท่านเล่าไว้ว่าเล่าไว้ว่าอาตมาเที่ยวไปทางหนองน้ําจันทร์ไปพักที่อ่าอันนี้ล่ะเป็นบ้าไม่ อาตมาก็ตอบท่านองค์นั้นว่าคําว่าสามเณรสมณะแปลว่าผู้สงบใครเป็นผู้สงบ และมีจะชื่อสมณะอย่างไรได้โลภอยู่ไม่รักษาทุดงควัชจะชื่อสมณะอย่างไรได้พออ่าว่าท่านไม่รักษาทุดง เป็นผู้ไม่รักษาอ่าบอกว่าบ้าบ้าอ่า ตัณหาแห่งดีเป็นกิเลสอันหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สนับสนุนเลยครับผมพูดในที่นี้ผมพูดตามศัพท์บาลีหรือความเป็นจริงเท่านั้นคนที่มี ท่านก็เลยนําตัวอาตมาเข้าไปที่วัด ตกลงท่านก็มอบให้ฝ่ายบ้านเมืองนำตัวไปพิสูจน์ว่าเป็นคนยังไงแน่นายตำรวจก็นำตัวอาตมาไปขังไว้ที่เรือนจำมงสารเมืองสองขอน ท่านอ่านายอำเภอก็ถามว่าเนรว่าใครอาตมาก็ตอบว่าอาตมาอ่าพูดจากปาก ท่านพระครูเขียวท่านก็อ่าบอกว่าเวลาไม่พูดน่ะมัน จึงได้นามว่าสาวกะคือสาวก อาตมาก็ตอบว่าถ้าผมดับความโกรธของผมได้เดี๋ยวนี้ ถ้าผมยังไม่สิ้นจากอาสวะอาสวะมันก็ยังอยู่ที่ น้ำเผอก็บอกว่าผมได้หรือเปล่าอาตมาก็ตอบว่าได้ได้แต่เฉพาะ เค้าก็บอกว่าท่านจะไม่หวังว่าจะอยู่ใน 3 เดือนมีบ้านคาอยู่ตามชายเขาหลายรังคา เพราะว่าอยากจะทราบว่าเราปฏิบัติมานานปีเพียงนี้ พอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญ 3 วันจึงจะ 3 เดือนเผอิญพวก 3 วันยังเดินได้คล่องต่าง เขาก็ไม่เชื่อก็ยิ่งแต่ตื่นกันมากเฝ้า อาตมาก็คิดปัญหา 4 ข้อว่าจะไปศึกษากับท่านคือจิตรวม 1 จิตอยู่ 1, 1, 1 กูเราะยิ้มๆ ความจริงน่ะอาตมายังไม่ได้ถามท่านส่วนอาตมาทั้งนี้ก็กระดากใจขึ้นมาว่าทั้ง 4 ขณะจิตตอนนั้นอาตมาก็ แล้วก็ท่านก็จากไปในวันนั้นแล้วก็ท่านก็จากไปในวันนั้นก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านก็สั่งบอกว่าไม่เป็นอ่าเราจะไปแล้วเนนอยู่ถึงเนนป่วยครบ เคยเป็นเสือโคร่งใหญ่มา 11 ชาติทำลายชีวิตที่มีคุณทั้งหลายเพื่อเอา เพราะเนนเกิดเป็นชาติเสือติดๆกันทั้ง 11 ชาติก็คือ 1 มีน้ำใจกล้าหาญ 2 ชอบเที่ยวกลางคืนสบายกว่ากลางวัน 3 ถ้าได้ที่อยู่ซ่อนเร้นสงัด ตอนนั้นท่านก็ 4 วันก็ 1 ปีกับ 6 เดือนรู้รับความสบายกายสบายใจรับความ 100 เส้นระหว่าง 11 เดือนฝัน ไอ้พระอวบทรูปออกจากถ้ําไซมาบอกทุกวันจนแทบ 7 ได้ พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว 521 ปีจากนั้นอาตมา 2 เส้นเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กับรูปลอครับอะไรจะเกิดขึ้นกับสมณเณรเส โยปุพเพตตกัลยาโณกตโหมมนุพุชชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสํานึก รู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมด เข้าไปประมาณ 3 เส้นเสร็จเห็นแผ่นทองฝังตั้งอยู่จารึกเข 2 เส้นก็เห็นพระพุทธรูป แล้วก็มีงูเหลื่อมตัวนึงที่อาศัยอยู่ในถ้ํานั้นท่านก็หยิบเอาแต่พระพุทธรูปองค์นึงเป็นพระ อาตมาก็เลยให้ไปส่วนพระปลอดนั้น ได้นิมิตฝันเห็นแต่งูมารัดแทบทุกวัน ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทราบเหตุในวันต่อ พอดีบิณฑบาตกลับมาเผอิญผู้ใหญ่บ้านคิ้ว อาตมาก็นั่งพิจารณาอยู่โอ้คงจะเป็นนี่ล่ะมั้งตรงกับๆกับๆ ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นลูกสาวคนนั้นก็พูดว่า ไม่เคยเลยที่เราจะคิดชอบคิดรักกับคนจนหายใจไม่อิ่มอย่างนี้ไม่เคยอ่าไม่มีเลยแต่ก็ไม่พูดอันนี้เป็นแต่คิด จะมีความรักทั้งทีทําไมจะมารักของทิ้ง อันเป็นของที่จะทิ้งลง อาตมาคิดไว้เพียงแต่ว่าการบวชของ ต่อจากนั้นก็เลยนั่งสมาธิเรื่อยไปไม่ อาตมาก็ดำริว่าประโยชน์อะไรเราจะอยู่ด้วย เป็นที่หลายปีหลายเดือนไปเสียก่อนดีกว่าเราจะ เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าหากไม่ ไม่ก็เลยนึกขึ้นมาว่าไปเลยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอ่อเราอดแต่ข้าวยังฉัน 2 วันรู้สึกว่าเมื่อนอนหลับหายใจเข้าออกลําแห้งเสียงหายใจๆวกขึ้นก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าพิจารณาว่าแม้ความรักใคร่และความกระสันอันนี้จะมี ขอแต่อย่าทันได้ศึกออกไปทําบาปกรรมเหล่าอื่นอีกหากเราตายไปเสียเวลานี้อย่างดีเพราะว่าเราเกิด เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าอดต่อความหิวนั้นอีกวันหนึ่งพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าอดต่อ ขณะนั้นจึงรู้สึกว่าความกระสั่นนี่หายไปเป็นเย็นขึ้นตามเนื้อตามตัวอ่ามันมีอะไรแปลกๆคล้ายๆจะอาเจียนแต่ไม่ เหงื่อไหลออกมาอ่าแล้วก็มันเปียกไปทั้งศีรษะรู้สึกว่าความรักความขาว รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อื่นวิญญาณทางตาของเราออกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่อื่นวิญญาณทางมีแต่ความวิงเวียนเท่านั้นเองของ ความรักความกระสันเช่นนั้นตายไปก่อนแล้วมิฉะนั้นเราก็ควรจะ รู้สึกหายใจสะดวกดีลงถึงที่สะดือเมื่อหายใจสูดลมแรงก็ดูเหมือนสงน้ําพร้อมเสร็จแล้วครับ ต่อจากนั้นสมณเณรบุญนาคก็ฉันข้าววันละ 15 วันก็รู้สึกเบา 3 วันถึงภูเขาชื่อภูเขากูดพักบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ เวลานี้มีภิกษุเป็นมหาโจรปล้นพระ ไปเป็นทุนอ่าขาขายในคราวที่ บัดนี้มีพระภิกษุบวชอาศัยในพระพุทธศาสนาเพ่งต่อความ ครานั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ลงไป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 ฝ่ายญาติโยมก็กลายเป็นเดรัจฉีให้กําลัง ตกลงว่าท่านเหล่านี้อ่า ต่อจากนั้นก็แสดงธรรมไปหลาย ก็เข้าใจว่าแกร่งแสดงทํากระทบท่านสั่งไปกับปลัดขวาว่าให้สามเณร ท่านฝ่ายใจในทางนี้ขอให้สัมเณรจงไปหาท่านเหล่านั้นเถอะเวลานี้ ประมาณ 70 รูปซึ่งปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยก็อยู่ พักอยู่ที่บ้านหนองสพังและก็บ้านหนองมันปลาแสดงเรื่องพระเป็นอาลัชชีโยมเป็นดีิรถีก็รู้สึกว่ามีคนเลื่อมสายหลเห็นด้วยคือในสุวรรคผู้ใหญ่บ้านหนองสพังนําลูกบ้านมาฟังธรรจะไม่ถืออื่นเป็นที่พึ่งจะถือเฉพาะพระรัตนาตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตรวมทั้งในบุญมาผู้ใหญ่บ้านหนองมันปลา ก็นำลูกบ้านมาปฏิญาณตนว่าจะไม่ ต่อเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งอาตมาไปแสดงว่าเป็นลัทธิๆเพราะมี ตอนนั้นก็อยู่สามวันเท่านั้นในอุ้มผู้ใหญ่บ้านใจเที่ยวทุรดงไปอีก ปฏิญาณด้วยวาจาอันเลื่อมใสว่า 55 ปีแล้วเพิ่งได้พบ ในจันท์เรื่องและครูโรงเรียนชื่อนายแก้วซึ่งอาศัยกินอยู่กับ เนนอย่ามาทำอย่างนี้เลยเนนจงหลีกไปยังไงอีกท่านสมุห์เราหนีแล้ว อาตมาก็ตอบว่ามี 5 อย่างคือ 1 ไม่ฆ่า 2 ไม่ 3 สำรวม 4 นั่ง 5 เป็นใหญ่ในจิตของ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 ท่านองค์ไหนแกร่งประพฤติล่วงเกินพระธรรมวินัยท่านองค์นั้น อาตมาก็ตอบว่าถ้าผมสําเร็จอรหันต์ผมก็เป็นอรหันต์เท่านั้น หากผมเป็นพระอริยะเจ้าผมก็รู้ อาตมาก็ตอบว่าผมจํา 8 ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็น 8 ได้เท่านั้นน่ะจะ เดี๋ยวก็จะยุอย่าให้สงฆ์แตกราวกันเป็นอนันตริยกรรมตัวของอ่าขาดคร้องเนนนะตกลง พวกเจ้าจะนําพาเป็นบ้าไปครับเดี๋ยวพัก ว่าเท่าที่ท่านสมุจะ ย่อมกระทั่งถึงสามีจีปฏิปันโนภควะโต ท่านตอบว่าไม่ว่าแต่ฉันเลยเจ้าขนะแขวงก็มีม้ามี ท่านสมุภัยก็พูดกันว่าเรื่องอื่นมีถมไปทําไมเนนไม่เทศทําไม เพราะสำคัญว่าๆเพราะว่าเราเป็นพระถ้าเค้ามาพูด ฝ่ายโยมก็เห็นผิดกลาย จะได้นามว่าพุทธบริษัชคือเป็นหมู่เหล่าของท่านผู้รู้ผู้วิเศษได้ ตกลง 1, 1 เดือน 14 วันเพราะประสงค์ในจังหวัดกาฬสินธุ์อุทอน 2 ครั้งอ่าหมายว่าจะให้ หากชีวิตยังอยู่ชีวิตยังอยู่อย่าเลยท่านเอ๋ยใน อาตมาก็มีจดหมายไปเรียนท่านอาจารย์สิงห์และอาจารย์มหาปิ่นพร้อม บัดนี้คณะปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีความกล้าหาญเสมอภาคกันยังเริ่มริอยู่จงปฏิบัติเรื่อยๆไปเถิดต่อก็แสวงหาความพ้นทุกข์ส่วนตัวไปก่อนเถอะเพราะเวลานี้พวกปฏิบัติยังอ่อนเท่ากับ ตั้งใจบำเพ็ญความสงบส่วนตัว 20 วันอ่า ต่อมาโยมคนเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยรักษาแล้วก็จะพาลูกผมอยู่กินไปข้างหน้าเป็น หากจะเอาคนพวกนั้นมาปกครองรักษาทรัพย์ก็เป็นอันว่าถึงยังอายุน้อยยังหนุ่มนัก พอค่ำลงวันนั้นอาตมาก็พิจารณาต่อไปว่าบัด 20 ปีเท่านั้นอ่าเราหนุ่มนักจะอยู่ในศาสนาตลอดชีวิตก็หาไม่เมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็รู้สึก อย่าเลยนะสถานที่นี้เป็นอัปมงคลเสียแล้วเราควรว่าไอ้วิชาญไม่อยู่ลุ่มลึกยิ่งนักหากมาทําความสงสัย พิจารณาตกลงอย่าง 5 วันถึงแม่ๆน้อยๆที่มีอยู่ตามชายเขามีอยู่ตามชายเขาอีก 3 วันก็ถึงภูเขา 2 ห้องแล้วก็ ในเดือนแรกเนี่ยนึกว่าชีวิตนี้จะตั้ง 3 เดือนเพราะมีอาการเหน็บชาไปทั่ว ครั้งต่อมาเดือนที่ 2 ก็ทําอย่างนั้นเรื่อยไปคือ 7 วัน ร่างกายก็รู้สึกซีดผอมเหี่ยว 16 วันปรากฏว่ามีเหงื่อชุ่มที่ๆยาวๆตามหลัง ให้นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิมิตปรากฏเห็นช้างสารใหญ่ทั้ง 2 ตัวเข้ามาจับเอา จะเป็นผู้ใหญ่ทั้ง 2 เดือน 4 8 ค่ำอ่า พ.ศ. 2475 คั้นมาถึงในวันนั้นพระ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 เดือน 5 ครั้งแรมท่านเจ้าคุณก็คร 8 วันอาตมาก็ขอ คณะอาจารย์สิงห์ที่โกรธอีกในระหว่างกลาง แต่ว่าเคยได้ยินว่าเคยมีการลงพิมพ์เป็นเล่มอยู่ครั้งหนึ่งอ่านานมาแล้วจํานวนพิมพ์ของหนังสือเนี่ยก็คงไม่มาก